พวกเราทุกคนยอมรู้ดีว่าอากาศนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตแต่บ่อยครั้งเรามักลืมความสำคัญของอากาศไปบางทีก็ไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งก็ลืมไปด้วยว่าอากาศนี่มันมีอยู่รอบตัวเรา เราจะไาเห็นความสำคัญของอากาศก็ต่อเมื่อไม่มีอากาศจะหายใจหรือว่าหายใจติดขัดและยิ่งคนที่ใกล้จะตายก็จะเห็นความสำคัญของอากาศมากทีเดียวจะให้อะไรก็ไม่เอาและขอให้มีอากาศหายใจ หรือยอมที่จะแรกทุกอย่างนะเพื่อให้มีอากาศหายใจพยายามที่ไม่มีอากาศนั่นแหละเราถึงจเห็นความสำคัญของอากาศหรือตระหนักว่าถ้าจริงแล้วอากาศนี่มันมีอยู่แต่เรามองข้ามไปธรรมะนี่ก็เหมือนกันนะธรรมะทั้งหลายโดยเฉพาะสะติเนี่ย เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญสำหรับจิตใจของทุกคนถ้าไม่มีสติก็คลุ้มคลั่งเป็นบ้าหรือว่าทุกทรมานเศร้าโศกเสียใจอาจจะคนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติเท่าไหร่ ต่อเมื่อขาดมันไปสตินีนนะ่มันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เราเป็นผู้เป็นคนได้รวมทั้งทำให้คนอื่นที่เรารู้จักเป็นผู้เป็นคน แต่ว่าถามว่าสติเป็นอย่างไรนะก็อาจจะอธิบายลำบากเราจะบางครั้งก็บอกได้ยากนะว่าใครมีสติแต่ถ้าใครไม่มีสตินี่ก็เห็นง่ายใครไม่มีสติเมื่อไหร่เราก็รู้เลยนะว่าอ๋อ ตอนนั้นเขากําลังคุ้มครั่งตอนนั้นเขากำลังเศร้าโศกเสียใจตอนนั้นกขากำลังโกรธหรือว่ากลัวหวาดผวาอันนี้ก็ไม่ต่างจากอากาศนะเราต่อเมื่อไม่มีเราถึงจะเห็นความสําคัญหรือถึงจะได้ตระหนักว่าอากาศนี้เนี่ย มันมันอยู่กับเรามาตลอดหลายสิ่งหลายอย่างเราจะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อไม่มีมันแล้วหรือเราจะเห็นว่ามันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่เคยตันหนักต่อเมื่อมันหายไปถึงค่อยนึกเสียดายหรือค่อยรู้จักมัน ใครมีสติหรือว่าสติเป็นยังไงเราอาจจะนึกไม่ออกแต่พอเจอคนไม่มีสติเมื่อไหร่เราเห็นเราเข้าใจเลยนะว่าออสติมันเป็นอย่างนี้เองมันมีความสำคัญอย่างนี้เองเวลา อธิบายว่าสติคืออะไรถ้าเราอธิบายในความหมายเชิงลบนี่จะเข้าใจได้ง่ายกว่าก็คือไม่ลืมถ้าอธิบายในเชิงลบว่าสติคือควา ม, มลึกได้คนอาจจะเป็นภาพไม่ชัด แต่เพราะว่าไม่ลืมอันนี้ก็จะเห็นได้นะชัดขึ้นสัพชัญญาคือเหมือนกันก็แปลว่าความรู้สึกตัวความรู้ตัวแต่ถ้าเราแปลหมายว่าคือความไม่หลงสติคือไม่ลืมสัพชัญญาคือไม่หลงอันนี้ก็จะนึกภาพออกแล้วว่า ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยคืออะไรอาการมีสตินะพูดง่ายๆเนี่ยคือการที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจจะทำอะไรก็ไม่ลืมกายไม่ลืมใจแต่เราสังเกตนะบ่อยครั้งนี้เราก็ทาก็ทำแต่ตัวแต่ว่า ลืมกายลืมใจเป็นส่วนใหญ่ยิ่งถ้ามีอะไรมากระทบด้วยแล้วนี่มันลืมใจได้ง่ายมากเลยอย่างที่เราเมาาื่อวานที่เหตดการณ์ตอนหนึ่งของท่านไว้หลงังซึ่งเป็นเรื่องของพระที่กำลังตกเฉียงกันว่าทงไหวหรือลมมันไหวกันแน่ เถียงกันจะเป็นจะตายเสร็จแล้วท่านวยหลางก็พูดแทรกขึ้นมาว่าจิตของท่านต่างหากที่ไหวอันนี้ก็เป็นการเตือนให้กลับมารู้กายรู้ใจเพราะในขณะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ลืมใจไปแล้วลืมใจลืมกายไปจิตกำลังถูกคร่อบงาด้วยความโกรธความไม่พอใจ ที่เห็นคนอื่นก็คิดไม่เหมือนตัวมีความไม่พอใจขุนเคืองใจความโกรธความขุนเคืองมันครอบงาใจจะไม่รู้อันนี้เรียกว่าลืมใจปล่อยให้ใจนี่มันถูกกิเลสเล่นงานทิตฐิหรือว่าความขุนเคืองใจแต่พอท่านเว่หลังพูดขึ้นมาอย่างนี้ ผู้คนก็หยุดเสียงกันเลยกลับมารู้เห็นใจของตัวเองว่ามันกำลังกระเพื่อมแค่ไหนมันกำลังสันไว้แค่ไหนเพราะความตัดแยง้งความแตกต่างของความคิดในเวลาเราพูดคุยกันสนทนากันเราก็ลืมใจลืมกายของเราบ่อยนะเรา ปล่อยให้ใจมันถูกครอบงำด้วยอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากผัสสะนะเรื่องราวที่มากระทบเสียงที่ได้ยินพอลืมใจแล้วนะก็ลืมกายคือไม่รู้ว่ากายทำอะไรเวลาเรากินอาหารใจลอยก็ไม่รู้ตัวคิดถึงบ้านนะคิดถึงงานการ คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปเสร็จแล้วก็เกิดอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดความเศร้าใจให้ความทุกข์ก็เข้ามาครอบงำโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าลืมใจนะปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาพอลืมใจแล้วก็ลืมกายกินก็ไม่รู้ว่ากิน กำลังเคลียวอยู่ก็ไม่รู้ว่าเคลี้ยวอยู่เหมือนกับเราเดินจมกรมสร้างจังหวะเราปล่อยใจลอยไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นเรียกว่าหลืดใจเราก็เลยไม่รู้สึกเลยว่ากาลังเดินอยู่กาลังยกมืออยู่แต่เมื่อไที่เรามีสตินะต้องกลับมารู้กายรู้ใจ ไม่ปล่อยให้ใจเตลิดเปิดเปิงไปรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ความเศร้ามาครอบงําย่ํายีจิตใจทําอะไรก็รู้เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเื่อนี้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกก็เพราะว่ามีสติ เมื่อเผลอไปเราลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังสวดมนต์แล้วใจลอยหลยไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างเราลึกได้ว่ากาลังสวดมนต์อยู่สติก็ดึงจิต ก, กลับมาอยู่กับการสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์โดยที่เข้าใจเข้าใจเนื้อหาแล้วก็รู้จังหวะ ใจถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติโดยเพราะคนที่ท่องบทสวดมนต์ได้คล่องเนี่ยใจมันจะลอยได้ง่ายปากก็สวดไปแต่ว่าใจนี้ลอยไปไหนไม่รู้เพราะว่าคนที่สวดมนต์ได้คล่องแล้วนี่ต่างจากคนที่อ่านบทสวดมนต์ใจเขาจะ มีความจดจ่อมากกว่า ส, สติก็จะมาอยู่ได้อย่างต่อนเนื่องพอเพอะเผลอเมื่อไหร่ก็สวดไม่รู้เรื่องสวดไม่ได้พราะจำไม่ได้ส่วนคนที่ใจคนที่ท่องได้คล่องปากนี่ปากก็ว่าไปใจไม่รู้อยู่ไหนแต่พอมี ส, สติระลึกได้ว่ากำลังทําอะไรอยูส่สติก็ดึงจิตกลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวมีความสึกตัวเกิดขึ้นความสึกตัวเกิดขึ้นเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่ามันไม่เผลอไม่ลอยไม่ไหลไปไหนหรือถึงเผลอถึงลอยถึงไหลไปในอดีตจมหายก็ไปในอนาคตหรือในอารมณ์แล้วได้ขึ้นมา ว่ากําลังทําอะไรอยู่ให้ตัวที่เราลึกได้นั่นแหละคือสติให้ตัวที่กํากับใจไม่ให้ลืม <c oughs> น, นั้นก็คือสติแล้วพอไม่ลืมนะมันก็ความไม่หลงก็ตามมาไม่หลงคือว่าทําอะไรได้ถูกต้องสวดมนต์ก็สวดได้ถูกนะ ถูกจังหวะไม่มีเผลอหรืออย่างเช่นตอนที่กล่าวนโมนะนโมตัสสะที่นี่จบสองจบแรกนไม่แปร ى, มาแปลจบที่สามแต่ถ้าเกิดว่าสวดโดยที่ไม่มีสติหรือลืมพอถึงบทที่จบที่สามก็ก็ยังสวดโดยไม่แปร ى. อันนี้เรียกว่าเกิดความหลงขึ้นมาแล้วคือสวดได้ไม่ถูกต้องอันนี้ถ้าไม่หลงสวดได้ถูกต้องก็เรียกมีสปชัญญะหรือว่าเพราะอาศัยสปชัญญะเราล้างชามเราทําครัวหันผักเราวางจานได้ถูกต้องถูกตําแหน่งเราหันผักได้ ได้ถูกต้องอันนี้ก็เพราะสายความรู้ตัวและจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่ามีสตินะช่วยกำกัดจิตหรือช่วยทำให้ไม่หลุดกายไม่หลุดใจทำให้จิตนี่กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในยามที่เพลอไปคนเราถ้าลืมแล้วนี่ก็ก็หลงได้ เดือเพราะถ้าเป็นการลืมตัวนี่มันก็หลงทำอะไรได้ไม่ถูกต้องวางใจไม่เป็นที่ไม่ถูกตำแหน่งพอใจตอนนั้นกำลังลอยกำลังนึกถึงพ่อแม่ที่กำลังเจ็บป่วยหรือกำลังโกรธคนรักที่เข า, าไม่ซื่อตรงต่อเรา ใจลอยนี่ก็หลงแล้วรางจานก็วางไม่เป็นที่หรือว่าพาหันผักนะก็หันปิดผทุกททำงานทำการแม้กระทั่งขับรถก็อาจจะเลี้ยวผิดซอยหรือผ่านเลยไปยังมีบางคนนี่อยากจะรีบกลับบ้าน เพราะว่าลูกไม่สบายขาที่กำลังจะกลับบ้านมีรถปาดหน้าพอถูกปาดหน้าก็โกรธก็เลยวิ่งแล่นไล่ตามเพื่อจะปาดคืนแล่นไปจนกระทั่งถึงถนนที่ต้องเลี้ยวเข้าบ้านตอนนั้นก็ลืมไปแล้ว คิดใจจะปาดเอาคืนอย่างเดียวปาดเสร็จหนึ่งค้อนมารู้ว่าอ๋อนี่เราเลยบ้านเราไปเยอะแล้วอันนี้เรียกว่าทั้งลืมทั้งหลงเพราะไม่มีสติตอนที่เกิดความกลัเกิดความไม่พอใจตอนนั้นมันลืมใจไปนะพอลืมใจลืมกายก็ลืมบ้านลืมลืมหน้าที่ของตัว ไรต้องดีกลับไปบ้านไปดูแลลกูกนะพอลืมตัวมันก็ลืมอะไรต่ออะไรอีกมากมายก็ทำให้เกิดความผิดพลาดนะคือผิดพลาดนี่ก็เรียกว่าหลงต้องระวังนะพอถ้าเราลืมกายลืมใจลืมตัวแล้วก็จะลืมอะไรอีกมากมายซึ่งบางอย่างอาจจะไม่สำคัญแต่บางอย่างก็สำคัญมาก มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถไปตอนเช้าวันอาทิตย์ขับรถไปห้างห้างใหญ่คล้ายๆแบบ Big C นะหรือว่า The m ม l l เเพื่อที่จะไปซื้อของเป็นพวกเครื่องใช้พวกเครื่องครัวพวกอาหาร ลองซื้อมาตุนเอาไว้เป็นทําที้เป็นกิจวัตรเขาก็มีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งปกติก็มีพี่เลี้ยงดูแลลูกก็พี่เลี้ยงดูแลลูกที่บ้านเขาก็ขับรถมามาจ่ายตลาดมาซื้อของแต่ว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กไม่ว่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะมาจ่ายตลาดมาซื้อของก็ต้องเอาลูกเล็กติดรถมาด้วยแล้วก็ที่เคยมาตอนเช้าก็ต้องเลื่อนมาเป็นตอนบ่ายเอาลูกวางไว้ข้างหลังรถแล้วก็ขับรถไปถึงห้างมันก็มีที่จอดรถใหญ่เนเป็นลานกว้างเหมือนกับบิ๊กซีเหมือนกับเทสโก้โลตัสไงบ้านเรา ระหว่างทางเขาก็นึกถึงว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างเพราะว่าตอนกลางคืนจะมีงานเลี้ยงก็นึกถึงเมนูอาหารจะต้องซื้ออะไรบ้างใจก็คุ้นคิดอยู่งั้นแหละขับรถไปก็คิดไปพอถึงห้างเขาก็จอดรถที่จอดรถก็เป็นลานกว้าง แ, แล้วก็รีบลงไปเพื่อที่จะไปซื้อของตอนนั้นเขาหมกมุ่นอยู่การซื้อของกับการคิดว่าจะซื้ออะไรก็เลยรีบลงจากรถแล้วก็ลืมลูกเอาไว้หลังรถหายเข้าไปในห้างนี่ชั่วโมง2ชั่วโมงได้ พอออกมาเดินมาที่รถตกใจเพราะว่าเพิ่งนึกได้ว่าเอาลูกมาไว้ที่เอาลูกติดมาด้วยแล้วลูกก็อยู่หลังรถในลานจอดรถทิศกว้างโดนแดดเผาสองชั่วโมงอันเด็กอายุแค่ขวบสองขวดนึกภาพกันว่าจะเป็นอย่างไรอันเด็กก็ตายตายเพราะถูกแดดเผา ตายเพราะขาดน้ำแล้วคนเม่แม่ก็เสียใจมากอั น, นี้เป็นอุทาหรณ์นะคนเราถ้าหากว่าลืมตัวนะไม่มีสติแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ตัวที่ถูกลืมนะลูกก็ถูกลืมไปด้วยตอนนั้นถ้าเกิดว่าแม่นี่มีสติใจอยู่กับปัจจุบัน ไม่คิดถึงไม่ได้มัวจะคิดว่าจะไปซื้ออะไรนะถ้าใจเขาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะรู้หรือนึกขึ้นมาได้ว่าลูกนี่นั่งติดรถมาด้วยแต่เขาใจไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจไปคิดนะถึงเรื่องการซื้อของซื้ออาหารตามเมนู ให้คนเรานี่ถ้าหากเราลืมกายลืมใจลืมตัวแล้วนี่หลายอย่างก็จะถูกลืมตามมาไม่ว่าจะเป็นงานการไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราคนเวลาโกรธกำลังโมโหก็จะลืมไปนะว่า คนที่กำลังทะเลาะด้วยเนี่ยคือพ่อคือแม่คื อ, คอลูกพอลืมตัวแล้วนี่มันลืมหมดนะพ่อแม่ลูกจะแล้วก็เลยว่าด่าว่าแรงๆหรือว่าใช้กำลังทำเจแค่อยนึกได้ว่าโอ้นี่ลูกเรานี่พ่อแม่เรานี่แฟนเรา ไม่ใช่เพราะความโกลัวอย่างเดียวนะที่ความความโลคตัณหาราคะทําให้หน้า ม, มืดนะก็ทําให้ลืมตัวได้จะทําให้ทําอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนเราหน้า ม, มืดดยเหตุหลายอย่างเช่นเห็นเห็นเงินเห็นทองเห็นของมีค่าวางอยู่บนโต๊ะไม่มีใครเห็น ก็อยากได้ขโมยเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้บางทีไม่ต้องของราคาแพงมากแต่ถ้ามันอยู่ใกล้มือแล้วก็คิดว่าทำโดยที่ไม่มีใครเห็นก็เอกไปได้บางคนบางคนก็เห็นของตามห้างไม่มีเจ้าหน้าที่ร้านดูอยู่ ใ, ใกล้ก็หน้ามืดหยิบคว้ามา อันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำหรือหน้ามืดเพราะราคะเกิดความรู้สึกทางเพศอย่างรุนแรงก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจว่าเป็นใครไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรตามมาผลเสียตามมาไม่ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าขาดสติตอนนั้นแหละที่เรียกว่ามันลืมทั้งกายหรือทั้งใจ ลืมตัวบางคนนี้เป็นธาตุของตันหาได้ง่ายโลภะแล้วก็โทสะบางทีก็ลืมตัวเพราะความเพราะความหลงโมหะกินเหล้าเมาเมามมยอันนี้ลืมตัวแน่นอน ติดยาเสพยาจนมึนจนเมาโลกกดหลงโลภะโทสะโมหะมาพูดนี้นี่เป็นศัตรูนะต่อสติสัมปชัญญะมากยังไม่ต้องพูดถึงเหตุร้ายที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจทำให้เกิดความกลัว การมีสติระลึกได้ไม่ลืมตัวเนี่ยสำคัญมากการมาการมาฝึกสติของเรานี่ก็เพื่อสะสมเพิ่มพลังให้กับสติเพื่อที่เราจะ ไม่ลืมกายไม่ลืมใจได้ง่ายๆเพื่อที่เราจะได้รู้ทันอารมณ์รู้ทันความรู้สึกนึกคิดซึ่งนันจะทำให้เกิดความรู้ตัวการจดรสติที่พาทำเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดย้ำอยู่เสมอคือเห็นหยับยับเป็น แค่เห็นอย่างเดียวไม่เป็นเห็นนี่มันมีลักษณะการออกมาดูเป็นนี่มันมีลักษณะการเข้าไปออกมาเห็นหรือเข้าไปเป็นอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูเห็นมันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเห็นกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เห็นด้วยตา ตาเนื้อนะเห็นด้วยตาไหนใจเผอคิดไปก็เห็นรู้ว่ากาลังคิดฟุงสร้างไม่เข้าไปในความคิดนั้นไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์หลุดทั้งเวทนาเวทนา ค, ความรู้สึกเช่นปวดเมื่อยถ้เห็นเวทนานี่มันไม่เข้าไปในความปวดความเมื่อยนะ่ยมันก็เห็นว่า เออเป็นขานะที่ปวดเมื่อยแต่ว่ามันจะไม่เข้าไปเป็นเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยมีความโกรธความกลัวความเศร้าเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับใจแะ่ไม่เข้าไปเป็นผู้เศร้าผู้โกรธผู้เสียใจถ้าเป็นก็เห็นที่มันต่างกันมาก ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตา ม, มาด้วยอาการดิ้นดิ้นดิ้นพอยากได้หรือดิ้นเพราะอยากผลักใสออกไปอ่าจิตความทุกเนี่ยโดยาะความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่จิตเนี่ยมันดิ้นดิ้นเพราะอยากจะได้มาไว้ในครอบครองเพื่อจะได้เสฟอารมณ์ที่พึงปรารถนาได้นานๆหรือยิ่งกว่าเดิม เดือดิ้นเพราะอยากจะผลักออกไปความทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะตรงนี้นะจิตมันดิน้นได้ยินเสียงเสียงอยาจะไม่มีอะไรแต่พอจิตมันดิน้นมันแบบมันอยากจะผลักออกไปทุกข์เกิดขึ้นทันทีเกิดความหงุดหงิดแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปทำไมเข า, ขาไม่ปิดเสียง ทำไมก็ไม่ดับเครื่องยิ่งเขาไม่ทําอะไรกับเสียงนั้นก็ยิ่งเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจทั้งหมดที้เกิดขึ้นจิตใจทั้งนั้นแล้วเกิดขึ้นเพราะใจไม่ใช่เพราะเสียงเท่าไหร่เสียงนั้นเป็นปเป็นปัจจัยรองปัจจัยหละก็คือใจที่มันดิ้นใจที่มันผักใส นั่นก็อย่างที่เราสวดเป็นคาถาเมื่อสักครู่นะครับ ท, ทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสูส่สเดชได้ด้วยใจทำทั้งหลายนี้ก็รวมถึงความสุขและความทุกข์ด้วยความสุขและความทุกข์อยู่ที่ใจเกิดเพราะใจถ้าทุกข์มันไม่ใช่เพราะเสียงไม่ใช่เพราะใครไม่ใช่เพราะอากาศแต่เป็นเพราะใจใจที่ผักไสใจที่มันดิ้น เจอสิ่งที่ทําให้ทุกขเวทนาจิตมันก็ดิน้นอยากจะผลักออกไปเจอสิ่งที่ทําให้เกิดสุขเวทนาจิตมันก็ดิ้นอีกแบบหนึ่งดิ้นอยากจะได้บางทีไม่ใช่แค่ใจดิน้นนะตัวก็ดิ้นด้วยอย่างเราเห็นอย่างลูกนะลายของเราพ่อเขอยากได้ขนมอยากได้ของแต่เราไม่ให้เขาก็ดินด้นเนี่ยดิ้นปั๊บพล อันนั้นแหละเขากำลังแสดงทําให้เราเห็นนะว่าความทุกข์จะมาเกิดจากจิตที่มันดิ้นให้ความอยากได้ทําให้ลืมตัวแล้วก็เลยแสอาการอย่างนั้นออกไปไม่เพียงแค่เรามีสติเห็นจิตที่มันดิ้นดิ้นเพราะอยากได้หรือดิ้นเพราะอยากผักสายก็แล้วแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นแหละจริงก็กลับคืนสู่ความปกติได้ แต่ถ้าไม่เห็นไม่มีสตินะมันก็เข้าไปร่วมดิ้งกับเขาด้วยก็เลยทุกใหญ่หลวงพ่อไม่ว่าจะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพอเขียนก็อสอนว่าเวลาดูก็ให้รู้เฉยเฉยดูเฉยเฉยดูซื่อๆนะไม่ต้องไปดิ้งกับมันอะไรเกิดขึ้นแม้อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็ไม่ต้องไปผลักมัน เห็นความโกรัวเกิดขึ้นเห็นความกลัวเห็นความอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปผักใส่มันไม่ต้องไปต่อต้านมันแค่รู้เฉยๆใจเป็นกลางการสร้างปฏิบัติใหม่ๆนี่เฉยไม่เป็นนะจิตมันดิ้นดิ้นอยากจะผลักความโกรธออกไปดิ้นดิ้นอยากจะกดข่มความหมงุดหงิดนึกในใจว่านักปฏิบัติโกรธไม่ได้ นักปฏิบัติต้องสงบสํารวมต้องไม่โลภต้องไม่อิจฉาแต่พอมีความโกรธความอิจฉาความว้าวุ่นเกิดขึ้นก็พยายามกดมันเข้าไปพอคิดวันนี้จะทำให้จิตสงบได้หรือทำให้เราเนี่ยเป็นคนดีส่งกับที่เราพุ่งมาปรารถนาอันนี้เรียกว่าไม่ได้รู้เฉยๆลยแล้วไอตอนที่ไปไปพยายามกดกลมอารมณ์ หรือความคิดที่เกิดขึ้นก็เป็นการดิ้นอีกแบบเวลาเกิดอารมณ์ที่พึงปรารถนาเช่นความสุขความปิติแล้วก็อยากจะรักษาอยากจะครอบครองมันเอาไว้พอมันเลือนหายไปก็เสียใจก็ดิ้นที่จะพามันกลับมาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ความสงบให้ความปิติเกิดขึ้น เหมือนกับชั่วโมงที่แล้วมันกับเมื่อวานนี้นี่ก็ดิ้นอีกแบบนี้สุดท้ายก็ใจไม่สงบยิ่งอยากสงบยิ่งอยากได้ความสงบก็กลับไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่เป็นปกติไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองให้เราสังเกตใจของเราที่มันดิน้นไม่ว่าด้วยอาการใดก็ตามไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม เห็นจึงที่ไม่พึงปรารถนาะเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดูเฉยเยความปวดความเมื่อเกิดขึ้นก็ลองดูเฉยเฉไม่ต้องดิน้นเพื่อจะไปกดขบมันหรือไปนั่งหรือไปคิดว่าเมื่อไหร่จะปัญญาเสร็จสักทีเมื่อไหร่จะสวดมนต์เสร็จสักทีจะได้ยืดแข้งยืดขาอันนี้ก็ดิ้นอีกแบบเห็นมันเห็นความยากนะแล้วก็ ไม่ต้อทำอะไรก็มันแค่ดูเฉยๆรู้เฉยๆพราะถ้าไม่เฉยนะมันจะเข้าไปเป็นนะไม่เฉยเมื่ อ, อไหร่มันเข้าไปเป็นเมื่อ น, นั้นจิที่ดินอยากจะได้หรืออยากจะผักสายเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บมันเข้าไปเป็นเลยไม่ใช่เห็นละหลั ง, งง่ายๆนะคือเห็นไม่เป็นหรือว่ารู้เฉยๆเนี่ยนะสาคัญมาก สำคัญตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งถึงสุดท้ายเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมได้ได้เห็นธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งที่มาหลอกล่อเกิดวิปัสสนูมีความรู้ขุดโพลขึ้นมามากมายมีอะไรต่างๆมากมายที่ตามมาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่ได้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแล้ว เดี๋ยวเกิดความหลงแม้กระทั่งว่าเนี่ยเป็นพระอรหันต์เป็นพระนิเป็นพระอริยะเจ้าแล้วปัญญามันพรั่งพลุออกมาก็ให้เห็นนะไม่ข้อเป็นไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้บรรลุอะไรทั้งสิน้นแค่เห็นเฉยๆพอจะเป็นเมื่อไหร่นั่นก็คือถูกมันหลอกแล้วมันหลอกทําให้เนิ่นช้า ตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกสอนย้ําว่าให้เห็นอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอย่างเดียวไม่ไม่เป็นไม่ว่าบวกหรือลบให้หลักนี้ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยสุดท้ายคือจนกระทั่งพ้นทุกนะเห็นแจ้งในสัจธรรมให้จับหลักนี้ให้ได้นะแล้วก็ทําให้แคล้วทําทให้คล่องทําให้ชำนาญรู้ทันตัวการที่มันจะล่อให้เราเป็น หลังจาเรารู้ทันมันเราก็ไม่ขเข้าไปเป็นง่ายๆก็จะเห็นเห็นตพึต่ผืออันนั้นแหละเป็นหลักที่สำคัญมากของการปฏิบัติอ่ะเราช้นี้ก็พูดกับเท่านี้นะ